ข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าตลอดไตรมาสสามเดือนข้าพเจ้าจะรักษาอุโบสถทุกวันพระข้าพเจ้าจะทำบุญไม่ให้ขาดตักบาตรทุกวันสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราทบทวนอย่าให้ขาดตกบกพร่องถ้าเราไม่พูดกันไม่ทบทวนกันไม่บอกกล่าวกันอาจจะขาดตกบกพร่องก็ได้อย่างพระสงฆ์ก็เหมือนกัน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 ที่เราตั้งจิตอธิษฐานนั้นล้มเหลวหรือยังคงเส้นคงวาอยู่ไม่มีใครจะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราใครควรทบทวนอย่าให้ขาดตกบกพ่องแต่ถ้าว่าพวกเราจริงจังและจริงใจในการกระทาหรือตั้งจริงจังในความสัตย์ความจริงของตนเอง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 เพราะนั้นนอกจากตัวเองเท่านั้นละ่ะจะวัดใจตัวเองได้ว่าข้าพเจ้าต้องการอะไร อ, ะอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดความดีก็ดีความชั่วก็ดีกลัมดีก็ดีกลัมชั่วก็ดีใจของเราไปในทางไหนไปในทางดีถ้าไปทางชั่วไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราอีกเหมือนกันถ้าพวกเราคิดไปแนวทางชั่วคิดอิศาพยาบาทอาฆาตจองเวรคิด อยากจะดื่มเราดื่มสุราคันชายาวฟินคิดอยากจะคบคนชั่วไปเที่ยวไปเตะคิดขี้เกียจทำการทำงานคิดไม่เอาทานคิดอยากจะนอนตื่นสายอย่างนี้อันนี้แปลว่าให้เราพวกเราคิดได้เลยลวอ่ะอันนี้คือใจของเราเป็นพารชนใจของเราเป็นผ่านเป็นพารช น, เ ป, น, นเป็นคนผ่าน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 ให้เป็นคนดีอย่างไรเราจะคิดอย่างไรในไปในทางที่ดีเราจะพูดอย่างไรไปในทางที่ดีเราจะทำอย่างไรไปในทางที่ดีแต่ละวันตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาอันนั้นให้บอกได้เลยว่าเป็นบัณฑิตเราจิตใจของเราไ่สูงจิตใจของเราไ่สูงแต่ถ้าว่าตรงกันข้ามอย่างที่หลวงพ่อพูดข้างต้นอันนั้นแปลว่าไ่ไปในทางต่าเป็นภาระชน ถ้าไฟสูงนเนี่ยคือแบบไฟไปทางบัณฑิตนักปราดจะทําจนยกระดับจิตใจของตนเองให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นการไปดูดูที่อื่นดูคนอื่นเขานั้นเป็นเรื่องนอกให้ดูเข้ามาหาใจตนเองนั่นแหละจะมีวิธีแก้ไขถ้าเราไปในทางต่ําเราก็โอ้ใจของเราเนี่ยทำไมคิดไปในชั่วเรื่องชั่วช้าลามกเหลือเกินไปคิดไปทางราคะทั้งวี่ทั้งวัน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 พอท่าให้ตรวจดูนะใจของเราเป็นภารชนหรือเป็นบัณฑิตออถ้าคนอื่นบอกว่าคุณนี่แหละเป็นภารชนเดี๋ยวจะไปโกรธให้เขาอีกเอถ้าของว่าคุณนั่นแหะเป็นบัณฑิตกระจุหัวเราะทั้งวันทั้งที่ตัวเองคิดไปทางชั่วช้าลามกไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเพราะใจของเราในะอย่างที่ว่านั่นนะมันลึกกว่านะ้ํามหาสมุทรทะเลไม่มีใครที่จะยังรู้ได้นอกจากตัวของเราที่จะยังรู้ว่าค่า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 เขาเราคิดดีแล้วเอเราทําดีแล้วเราพูดดีแล้วไม่มีอะไรขาดตกปกพ่องแต่คนอื่นเขาหาเรื่องใส่เออบางทีเราก็อาจจะได้ติดคุกติดตารางเพราะว่าอ่คนหาเรื่องมันมีฮอย่างนี้มันมีเพราะเราสู้เขาไม่ได้เพราะว่าเขาเอาเทปมาผูกมามัดอํานาจบาทชนาะเอาเงินเข้าไปเออ ไปหรือว่าไปให้คนอื่นทำกับเราเนี่ยทั้งที่เราก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่เราสู้เขาไม่ได้อย่างนี้มันมีในโลกนี่ยมันมีแต่อย่างนั้นขึ้นมาเราก็ถือว่าเออกล้ำเก่าเนี่ยกล้ำเก่าเราคงเคยทำให้แก Я เขามาในอดีตชาติอย่างนี้เพราะเราถงอยังไงเราสู้เขาไม่ได้ทุกประตูเลยเนี่ยเยพราะเหตุใรเพราะว่าเราก็พยายามริ้นโนที่จะสู้แต่ว่าเขา พยานเทศเขาแข่งขันมากกว่าจะทํำยังไงได้ถือว่าเอออ น, นี่กลัม่มกลั่มเก่ากลั่มคือการกระทําของเราในอดีตชาติเราคงจะทํากลั่มไม่ดีไว้ในอดีตชาติมันมาให้ผลสําหรับแล้วเราแล้วถ้งเมื่อเราทําสุดความสามารถแล้วเราก็ต้องกลับตายอมรับออยอมรับแต่ในใจไม่ยอมรับแต่แทางด้านวัตถุ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 เป็นพระอรหันต์แต่อายุเจ็ดขวบัแบบน้นเถอเป็นน้องชายของพระสารีบุตรนะท่านบวชเข้ามาแล้วท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์เมื่ออายุเจ็ดขวบแต่เมื่อท่านสําเร็จพระอรหันต์แล้วท่านก็เออเราหมดกิจแล้วเราไม่มีภาระที่จะต้องภาวนาไม่จําเป็นจะต้องเร่งภาวนาไม่ต้องการทําอะไรอีกแล้วเพราะสําเร็จกิจแล้วสําเร็จเรื่องราวต่างๆแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องมาจัดมาทํา ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจอีกแล้วพอจบบริบูรณ์ในการประพฤติพรมวจันทร์แล้วเสร็จกิจพร ม, มจันทร์แล้วเราจะเป็นภาระในการจัดเส้นเราจะมีเป็นภาระในการจัดอาหารถวายพระตอนเช้ามาญาติโยมถวายอาหารมาท่านก็จัดอัออนนี้องค์นั้นอันนั้นองค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นอท่านเป็นภาระแต่มีพระภิกษุกลุ่มหนึ่ง เอ่พอได้แจกอาหารทีไรก็ได้ของไม่ดีเนี่ยถ้าแจกไปแจกพระไปรับนิมนต์ก็ไปในทานสถานที่ไม่ดีเออเขาเป็นกลั่มขององค์นั้นองค์นั้นคือไม่มีอ น, นิสง์ทานอ น, นิสงสิลอ น, นิสงทานมาก่อนพอแจกไปมันก็ได้ของที่ไม่ดีหลายครั้งต่อหลายหนที่มันเจออย่างนั้นขึ้นมาองค์นั้นก็สะสมความโกรธแค้นในจิตในใจทีนี้ โมโหโถโซอยู่ในใจว่ากันเ่ะเออเอ า, ถ, าถ้ามีโอกาสข้าจะต้องหาเรื่องให้เด่งพระองนี้ที่เป็นกรรมการจัดอาหารแจกแก่พระทั้งหลายทั้งปวงเนะี่ยจากนั้นข้าก็วันหนึ่งท่านก็หาเรื่องส น, นไปสมคบกับนางภิกษุณีภิกษุณีภิกษุณีกับใค้ข้าแ่บเลวพอๆกันนะวะ่ากันเะ เออเร็วพอๆกันถ้าว่าพระต้องการอะไรก็เอารับลูกทันทีวันเงินลักษณะอย่างนั้นอะ่ะท่า น, นี้ก็ไปสมคบ พ, พูดกันว่าพิกุนีเราในกวดแค้นพระ อ, อ, องค์นี้ละเกิน เ, เราจะหาเรื่องใส่นะให้เธอรับลูกเลยนะพิกุนีก็ยอมรับทุกอย่างจากนั้นพระภูมิมัชากาภิกษุเนี่ยภูมิมัชากาภิกษุกระโจนขึ้นใน่ามกลางสงวาง่า พระทัพพมันระบุตรเนี่ยทำตนไม่ดีไม่ใช่พระเพราะว่าการกระทำของพระพระทัพพมันระบุตรเนี่ยไปทำมิดีมิร้ายกับเมตยาภิกษุณีที่ตีนเขาคิดจะกูดในเวลาเท่านั้นเออเท่านั้นละ่ะพวกที่ได้ยินก็งงแตกเลยสิทั้งที่ถือว่าเป็นพระที่มีสีราจารวัต เป็นที่ยอมรับแต่พอโจดขึ้นมาเท่านั้นแหละคนทั้งหลายพระปุตชนทั้งหลายก็สนเทศสงสัยอย่างมากเลยเลยนี่เอ๊ะเป็นไปได้เรือเนี่ยทางนี้ก็พอโจดขึ้นมาเมื่อโจดขึ้นมาแล้วก็สงทั้งหลายก็ลุ่มล้อมเข้ามาเลยเลยหาข้อมูลพอมาโจดอบัติหนักอโจดอบัติปาราชิกของเอสมัยนั้นเหมือนกันแพระธรรมพรทัพพมรบุตก็เป็นจำเลย ภู ม, มิมชกกะกับเมตยาภิษุณีเนี่ยเป็นโจทย์ะจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็เอาพระวินัยที่บอกพระอุบบาลีเนี่ยอุบาลีที่บอกไปบวชกับพร้อมกับพระอ น, นุนพร้อมกับเทวทัตหกองที่เป็นเสื้อกษัตริย์จากกรุงกบิลพัทและกรุงวิเทวทหะอแล้วก็อุบาลีเนี่ยเป็นในช่างกันบกนะ คือช่างตัดผมแต่ให้พระอุบาลีเป็นผู้บวชก่อนเนี่ยพระพุทธองค์ยกย่องว่าอุบาลีเนี่ยเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในการวินิจฉัยเกี่ยวกับวินัยแหคล้ายๆว่าเป็นพิพากษาชั้นเยี่ยมว่า ง, งั้นเลตรงไปตรงมายิ่งกว่าเป๋าบุญจิ้นอีกว่า ง, งั้นเลยแท่านก็สืบสอบนะท่านแสืบสอบมาพระมัสกะเธอโจทย์ขึ้มานั้นเธอเห็นอย่างไร เออพิกจุนีเมตยาเธอเป็นยังไงเขาก็รับลูกคล้องจองกันหมดเลยเธอเนี่ยเออพวกเขาหาเรื่องเนี่ยจากนั้นภูมิมัจกะท่านก็ถามไอ้อุบารีท่านก็ถามว่าท่านเออพเทระเออทัพะทพะทัทพมันระบุตรเธอเป็นเป็นอย่างที่เขาว่าไหมอ่าจริงเนี่ พระท่านพราะทัพพะบุตรเธอเป็นอย่างที่เขาว่าไหมที่เขาโจดไหมนี่เขาโจดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตอนี้ท่านก็อ้างคุณธรรมท่านขึ้นมาเลยนะพระทับพมรรบเนี่ยอ้างคุณธรรมขึ้นมานะว่าตั้งแต่ข้าพเจ้าจำความได้ตั้งแต่ข้าพเจ้าบวชเมื่ออายุเจ็ดขวบข้าพเจ้าได้สาเร็จเป็นพระอริยาบุคคล แม้แต่ฝันข้าพเจ้ายังไม่เคยฝันเพราะฉะนั้นอย่าพูดเลยว่าข้าพเจ้าจะไปทําสิ่งชั่วช้าลามุกอย่างนั้นอันนี้ท่านเชื่อในกรรมคือการกระทําของท่านเลยว่างั้นแต่ขนาดคิดกับท่านก็ยังไม่คิดเนี่ยท่านจะไปทําได้อย่างไรเนี่ยอแต่นี้ภาคก็งงแตกอย่เหมือนกันท่านอ้าวจะเอาใครเป็นผู้ตัดสินท่นเนี่ย เ, เพราะว่ามันเป็นท่านพูดถึงคุณธรรมของท่านท่านบอกว่าข้าพเจ้า เออได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมตั้งแต่อายุเจ็ดขวบแม้แต่ฝันข้าพเจ้ายังไม่เคยฝันในสิ่งที่ที่เขาโจทย์มานั้นเพราะนั้นข้าพเจ้าจะทำได้อย่างไรอันนี้เขาก็โจบสอบถามอีกทีท่านเห็นพิจุน พ, ะพระัพพมรบุตรนั้นเวลาเท่าไหร่ที น, นี้ก็มันมันแย้งกันทนเออีเห็นเวลาเท่านั้น ฝ่ายพระสงฆ์บอกอไม่ใช่พระทัพพมรบุตรท่านยังนวนในการแจกอาหารอยู่ที่กรุงที่วัดป่าเวลุวันอยู่ท่านจะไปทําจะเป็นทัพพมรพร ะ, พระทัพพมรบุตรสององค์ได้อย่างไรทีนี้เขากดแย้งกันตีนี้ก็เลยพ้นที่สุดก็เลยแพ้เป็น่นนะแพ้คดีเออพระพุทธเจ้ารับทราบก็เลยสั่งตัดสินให้พิกษุนีกับภูมิมัจกาศเออ ไล่ศึกออกจากพระพุทธศาสนา เ, เพรา ะ, ะมันเห็นแก่ลาภเห็นแกย่ยศเพียงแค่นั้นเหร อ, อ, อมาทักท้วงขึ้นมาเนี่ยนี่แหละพระในครั้งพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าจะดีทุกอย่างนะถ้าเรามาพิเคาะนำมาพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุตผลแล้วมีคนดีและมีคนชั่วในยุคสมัยนั้นก็ชั่วเหมือนกันแต่ท่านกด็ดีอีกเหมือนกันเนี่ยอันนี้หลวงพ่อยกขึ้นมา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 พระบรรพบุตรเนะี่ยที่เป็นพระอาหารหนะันต์เนี่ยท่านบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าอายุเจ็ดขวบข้าพเจ้าได้บวชมาได้พิจารณาธรรมได้บรรลุธรรมจบกิจพร ม, มจันย์แต่อายุเจ็ดขวบเพราะนั้นแม้แต่ฝันข้าพเจ้าก็ยังไม่เคยฝันถึงเรื่องกามกรคกิเลสนี่นี่แหละท่านเชื่อมั่นในตัวของท่านท่านท่านยืนยันเลยก็จริงเนี่นี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลาย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 มันจริงอย่างที่คุณพูดนั่นแหละต่อไปผมจะสํารวมระวังต่อไปอันนี้คือบัณฑิตคือนักปราดัดเพราะเราต้องมองดูตนเองแต่ไม่ใช่ว่าเขาตําหนิขึ้นมาแล้วก็โมโหให้เขาตั้งแต่ทั้งที่ตัวเองก็เป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆเอย่างนี้แปลว่าเป็นภาลชนอีกในอีกระดับหนึ่งแบบนั้นจะเ อ, อไม่ฆ่าไม่น่าจะมาพูดให้ฆ่าเนี่ยมันเรื่องของฆ่าเแต่ตาไม่จริงเรื่องของฆ่าทำมันก็ผิดใช่ไหมฆ่าไม่ทนไม่น่าทําอย่างนั้นอืมแต่เขาพูดขึ้นมา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 ศึกษาเอาไว้ฟังเอาไว้ในจุดนี้อีกเหมือนกันเราเกิดมาในโลกจะให้เขายกจองเสรอเสริญเยินยอทีเดียวก็ไม่ได้จะให้เขาด่าทั้งวีทั้งวันก็คงจะไม่เป็นอย่างนั้นมันมีได้ทั้งนั้นแหละโลกกระทำแปดเมื่อโลกกระทำแปดเข้ามาเราก็ยินดีสี่อย่างเราก็ไม่ยินดีอีกสอย่างแต่ทํำยังไงจะไม่ให้โลกกระทำเข้ามาหาตัวเองเป็นไปไม่ได้โลกกระทำเนี่ย มันอยู่ในมวล ม, มนุษยชาติแต่ตั้งแต่พระพุทธเจ้าแท้ๆก็ยังถูกด่าถูกว่าเอาไปอยู่เมืองอุตเชนีคนด่าทั้งบ้านทั้งเมืองอพระอนุ์บอกว่าพระพุทธเจ้าควรจะหนีประเทศอื่นเมืองอื่นเขายกย่องเชิดชูบูชามีต่างเยอะแยะทำไมจะมาให้เขาด่าทั้งบ้านทั้งเมืองอย่างนี้พาะนางเามียของพระเจ้าอุเทนเอะอคามเหสีของพระเจ้าอุเทน ไม่พอใจกับพระพุทธเจ้าว่าจ้างคนให้ด่าทั้งบ้านทั้งเมืองเหมือนกนคนก็ด่าเหมือนกัได้เงินหวงพ่อว่าคนกลุ่มนั้นกขาคงจะปากเปื่อยปากเน่ามาถึงทุกวันนี้ก็มั่งพวกปากเปื่อยปากเป็นมะเง็งทั้งหลายเลยด่าพระพุทธเจ้าในยุคสมัยนั้นเหมือนกันเถอที่นี้นก็ด่าพุทองค์บอกว่าอนนท์จะไปที่ไหนก็ไปกรุงราชคือสีท่ที่บ้านเมืองของเขาเคารพนับถือพระเจ้าขาค่ะ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 เราไม่ต้องการเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทกุกเราไม่ต้องการแต่เราไม่ต้องการก็เถอะถ้าเราอยู่ในโลกนี้มันก็ต้องไม่เจอน้อยก็ต้องเจอมากทั้งโลกกระทำทั้งแปดท่า น, นแต่พระพุทธเจ้าท่านให้ทําอย่างไรเมื่อโลกกระทำเกิดขึ้นมากับเราแล้วอย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปรารถนาคือทําใจเอาไว้อาทําไว้ใจเอาไว้แต่นั่นๆ เ, เลยว่า เมื่อเขายกย่องเทิดทูนบูชาในโลกธรรมสีที่เราต้องการเราก็คิดในใจเอออันนี้ลาบเกิดแก่เรายศเกิดแก่เราสรรเสริญเกิดแก่เราเออสุขเกิดแก่เราอีกสักวันหนึ่งเถอะนะออไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นต้องทําใจเอาไว้อะแต่เมื่อเขาดา่าอย่างที่ว่านั่นะเออมื่อเสื่อมลาบเมื่อเสื่อมยศเออมื่อถูกนินทาเมื่อมีทุกข์เราก็คิดเอาไว้ว่า อ, อืม เ, เรา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 เพราะนั้นข้าพเจ้าจะต้องการจะ่ีอย่างเบื้องต้นไม่ซีไม่ต้องการสีอย่างเบื้องปลายเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองดูแล้วโลกอันนี้มันไม่น่าอยู่มันกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลังเวลาไม่รู้จะกระเพื่อมไปทางไหนเพราะนั้นพระองค์จึงพิจารณาดูใจของพระองค์ช่ำละใจของพระองค์ไม่เห็นินดีไม่ให้ยินร้าย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 ทอดพระเนธเมืองเวสาลีเป็นครั้งสุดท้ายเออเมืองเวสาลีเอ้ยเนีครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเราจะได้มาเวียนไหวตายเกิดออในวัฏสงสารตั้งแต่บัดนี้ไปเมื่อข้าพเจ้าดับขันแล้วข้าพเจ้าจะเข้าสู่นิพพานจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดเป็นอนันตการนะเนี่นี่แหละพระพุทธเจ้าทอดพระเนธเมืองเวสาลีเป็นครั้งสุดท้ายฟางังฟังดูแล้วงค์ซึ้งนะหลวงพ่อวานซึง้งคล้ายๆกับว่าจะไม่มาอีกแล้ว ในวัฏฏะสงสารนี่หน้าเบื่อหน่ายเหลือเกินมีแต่เรื่องหาเรื่องหาราวใส่กันอย่างที่พัพพมันระบุดอย่างนั้นท่านเป็นพระรหันต์ปุตุชนก็หาเรื่องใส่ท่านถ้าว่าท่านไม่เชื่อมั่นในท่านเองนะไม่รู้ว่าพวกอื่นจ ะ, จะสงสัยยังไงอีกไม่รู้เพราะปุตุชนมันมีมากเพราะเขาหาเรื่องก่อนที่เขาจะหาเรื่องเขาก็มัดเอาให้แน่นเหมือนกันว่างั้นเถอะให้อยู่หมัดว่างั้นเถอะ แต่เนี่ยมันก็ยังปีพลาดไปหน่อยๆเหมือนกันนะเพราะเพราะคนที่หาเรื่องใส่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีเงินขาดตกปกพ่องเหมือนกันนะเพราะมันกิเลสหาเรื่องใช่ไหมละ่ะกิเลสหาเรื่องเนี่ยมันก็ต้องมีจุดขาดตุกปกพ่องได้บ้างเหมือนกันเขาก็จับเงินได้เขาก็เลย <c oughs> กระตุกตรงที่มันมีเงิน น, ะนะ <c oughs> ั้นแหอะก็เลยพังละเนระนาดไป น, ะนี่แหละ